อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของกายที่นั่งนานๆย่อมเกิดความมึนชาขึ้นมาถ้ารู้สึกเจ็บปวดรู้ชาขึ้นมาแล้วเราหยุดเปลี่ยนอิริยาบทสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรากําหนดจิตอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบทเป็นการบริหารร่างกายตามหลักสุขภาพพลานามัยซึ่งผู้เรียนมาทางฝ่ายหมอย่อมเข้าใจอยู่แล้ว แล้วทีนี้เราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตอย่างเดียวการยืนเดินนั่งนอนเราแสดงท่าประกอบเท่านั้นนั่งขัดสมาธิเรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเรียกว่าเดินสมาธิยืนจงยืนกาหนดจิตเรียกว่ายืนทำสมาธินอนกาหนดจิตเรียกว่านอนทำสมาธิ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 แล้วภายหลังก็ไปถามพระไปถามพระภาวนาพุโทโธท่านก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกอย่างของอาตมานี่ถึงจะถูกไปถามยบหนอเป้าหนอก็โอ้ยอั น, นั้นมันทางโคง้งมันไม่ตรงของอาตมานี่สำเร็จเร็วไปถามที่สัมมา阿拉หังก็ไปแนะนำให้ไปสร้างดวงแก้วดวงแหวนควาอมก็ททำไม่ได้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 เมื่อก่อนนี่เคยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดสัพพทธธุมชื่อสามเณรประไมเวลาท่านจะสิ้นใจท่านบอกว่าให้คอยดูเข็มนาฬิกานะถ้าเข็มนาฬิกามาถึงเลขตัวเนี้ผมจะไปแล้วที่นี้เพื่อนผู้งก็นั่งจ้องคอยสังเกตดูอยู่พอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลขตัวนี้พับเณนประไมก็ขาดใจพอดี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 เข้าใจว่าพระเดชพระคุณคงจะรู้จักขอถามว่านังสือสองเรื่องนี้เป็นแบบศึกษาได้ไหมนังสือไอ้นังสือสาศาสนาวิถีนี่ยังไม่เคยเห็นแต่เคยได้อ่านนังสือธรรมานุวัตและอัตมาถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติใช่เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุดสำหรับนังสือเล่มนี้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 การรักษาเช่นนี้เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดอยู่เมื่อไปใสน่น้ำฉันตอนบ่ายจะไม่เป็นอบัตปาจิตตีเพราะวิการะโภชนะท่านเข้าใจกัจกนอย่างนี้แต่แท้ที่จริงนั้นเพื่อชำระสิ่งโสโครกสิ่งสกรปรกโสโครกหมักหมมไว้นานมันอาจจะเกิดบูดเน่าพอใส่น้ำดื่มลงไปทำให้ท้องเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บเอาข้อต่อไป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 ปัญหาต่อไปฝึกสมาธิอยู่สองปีนิสัยก็เปลี่ยนคือชอบอยู่ลำพังอ่านหนังสือธรรมะอาการอย่างนี้คือกำลังจะเป็นบ้าใช่ไหมการทำสมาธิในขั้นต้นๆนในเมื่อเจ็ดรู้สึกสงบลงไปบ้างจิดมันติดความสงบมันชอบจะอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นเรื่องของธรรมดาอันนี้ไม่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 งแต่ละชั่วทำดีชั่วดีนี่มันมีหลายขั้นตอนความชั่วที่เราละด้วยแต่ละ